สิอวาราหกะสังยุตหนึ่งเทศนาสูตรว่าด้วยทรงแสดงเทพพวกวาราหกห้าห้าสิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเทพพวกวาราหกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเทพพวกวาราหก เป็นอย่างไรคือเทพทั้งหลายที่เป็นศีตวลาหกก็มีที่เป็นอุณหาหวลาหกก็มีที่เป็นอัภวลาหกก็มีที่เป็นวาตวลาหกก็มีที่เป็นวัสวลาหกก็มีภิกษุทั้งหลายลาวนี้เราเรียกว่าเทพพวก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 บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุดจริบทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่ว่าลาหกมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าช่นไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลาย ผู้นับเนื่องในหมู่เทพพวกวลาหกจึงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูร้ลยให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีบหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่เทพพวกวลาหกภิกษุนิแลเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทพศรีตาวลาหกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุดจริตทางกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าเทพพวกศรีตาวลาหกมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก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 อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกอุนนะฮะวลาหกจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกกวาตะวลาหกจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกววัตสะวลาหกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า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 หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกวัตสาวลาลหกอุณะหาวลาหกทานุปการสูตรที่13าถึงห้าบจบ53สศีตาวลาหกสูตรว่าด้วยเทพพวกศีตาวลาหก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 ภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความร้อนในการบางคลาวอุณหะเวลาหกสูตรที่ห้าสิบสี่จบห้าสิบห้าอภภาวลาหากะสูตรว่าด้วยเทพพวกอพภาวลาหกหกร้อยสี่ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มีหมอกในการบางคราวพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเทพพวกอภวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นหมอกจึงมีภิกษุนิแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีหมอกในการบางคราวอภภาวลาหกาสูตรที่ห5สิบห้าจบ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 เพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นฝนจึงมีภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีฝนในการบางคราววสสวาลาหกะสูตรที่5้เจจบวลาหกะสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต์นี้คือหนึ่งเทสนาสูตร 2. ส, สุจริตสูตร 3ามถึงสอสีตะวลาหากะธานุปการะสุตตะทัสกะ 13-52 ามองอุณหะวลาหากะทานุปการะสูตร53าสมีตะวลาหากะสูตร5้าสิบสีอุณวลาหากะสูตรห้ 55, อัมพวลาหากะสูตร ห6สิบหกวาตาวลาหกกะโสูหร5สิบเจ็ดวัสสาวลาหกกะโสร